พึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนไว้ภายในเพื่อฟังธรรมเราทุกคนพึงได้เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ก็ยังไม่นานเท่าไรนะัก การที่เราได้มีศรัทธามาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นเรื่องการทวนกระแสของกิเลสตามธรรมดานั้น คนเราเมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มักจะปล่อยตนให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสโดยส่วนเดียวถึงจะมีห้ามจิตใจตัวเองบ้างก็ น, น้อยเต็มทีดังนั้นแหละคนเรามันถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อน เนื่องจากว่าปล่อยตนไปตามอํานาจของกิเลสอันกิเลสนั้นมันจูงใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สิ้นสุดค <c oughs> ันใดอันนี้มาแล้วใช้สอยไปบริโภคไปหน่อหนงก็เบือ่อเบื่ออันนี้แล้วพอเห็นอันอื่นว่าอยากได้อันอื่นต่อไป ยกตัวอย่างเช่นผ้านุ่งผ้าหม่มมูนี่ใส่ไปห่มไปใส่ไปเมื่อไปเห็นของคนอื่นสวยกว่าของตนนี่มันเกิดอยากได้ของคนอื่นนั้นขึ้นมาละอยากได้เสื้อผ้าชนิดนั้นก็ต้องดิ้นลนหาเงินหาทองไปซื้อเอามา ปรากฏว่าคนสมัยนี้นะช้ยผ้าเปืองเหลือเกินนะไปซักกันแต่ละทีตากใส่ล้าวไว้ยาวตั้งสิบปานู่นเนี่ยความอยากของมนุษย์เราถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องยับยั้งแล้วมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะ ต่อให้มีเงินมีทองกองเท่าภูเขาเนี่มันก็ยังไม่อิ่มยังไม่พออยู่นั่นแหละ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> ผู้ที่ได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ <c oughs> จึงเชื่อว่าเป็นการยับยั้งตัณหาความอยากของจิตใจนี้ไว้ได้ <c oughs> ดังเช่นที่ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณนนะสวาขาโตพระคตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเอง <c oughs> อากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลา ใครปฏิบัติเมื่อไรทำเมื่อไรก็เห็นผลเมื่อนั้นโอปะนีโกควรน้อมพระธรรมนั้นเข้ามาสู่ตนเอหิปัสสิโกสามารถเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ปัจจัตังเวทิตตโบวินโยหิวินยูชนผู้ฉลาดพึงรู้แจ้งเฉพาะต น, น หมายเอารู้แจ้งจเฉพาะใจนั่นเองนะอย่างนี้นั่นแนหะพระธรรมคุณบทที่ว่าโอพะ น, นีญโก้นั่นให้น้อมเข้ามาสู่จิตใจนี่เช่นตาเห็นรูปนะก็ น, น้อมสติเข้ามาพิจรารณามาควบคุมจิตและพิจารณารูป นั่นให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วมันหายอยากแต่ถ้าหาว่าสิ่งจำเป็นที่จะต้องอยากได้อย่างนี้มันก็อยากได้อยู่ในขอบเขตมันจำกัดถ้าว่ารู้เท่ารูปนั่นนะนะอันี้อยากได้อยู่ในขอบเขต ไม่ให้ผิดจากศีลจากธรรมการแสวงหาสมบัติต่างๆในโลกนี้สำหรับผู้ที่มีโอปนายโกก่อนที่จะต้องการอะไรก่อนที่จะทำอะไรพูดอะไรเราก็ต้องน้อมเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาในใจเสียก่อนให้มันเห็นแจ้งชัดว่าควร ควรพูดหรือไม่ควรทำไม่ควรพูดนี่ต้องให้รู้ชัดจะก่อนควรยึดถือไว้หรือว่าควรปล่อยวางเมื่อน้องเข้ามาพิจรารณามันก็รู้ได้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตถ้ายึดถือเอาไว้ มันจะนำทุกมาให้นำโทษมาให้เมื่อมันพิจารณาเห็นได้อย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางมันก็ไม่ยึดถือไม่แสวงหามันไม่พูดหามันไม่คิดหามันเลยนี่แต่คนส่วนมากมันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเช่นตาเห็นโูกหูได้ยินเสียงเป็นต้น มันเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วมันก็ส่งใจไปเลยสแสวงหาไปเลยมันจะผิดหรือจะถูกมันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเลยว่าแต่ตนชอบใจแล้วเป็นอันว่าสแสวงหาไปเลยทีนี้ถ้าหาว่าไปเจอไอ้สิ่งที่มันไม่โทษคนยังชั่วน้อย ถ้าไปเจอสิ่งที่มันให้โทษเข้าก็เอาแล้วทีนี้ก็ต้องผสบกับความเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นการน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาภายในจิตใจนี่นะจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนหมายความว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิน่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นต้องเยน็นเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรอย่างนี้นะก็ให้น้อมเข้ามาพิจารณาภายในจิตใจอืให้มันรู้ให้มันเห็นตามเป็นจริงเมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าเนี่ยการน้อมอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาพิจารณามันไว้ที่สุด เสี้ยววินาทีเดียวมันก็รู้ได้ไม่ใช่ว่ามันช้านะวิถีจิตเนี่ยมันเร็วมากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกคนส่วนมากมันไม่ฝึกเรื่องมันนะมันไม่ฝึกน้อมเอาอารมณ์เราแล้วเขามาพิจารณามีแต่มันดิ้นรนไปตามความอยากความปรารถนาโดยส่วนเดียว เพราะฉะนั้นคนเราเนะ่ะมันถึงทําทั้ง ท, งทางที่ถูกทําไปทั้ง ท, งทางที่ผิดก็ทําก็เพราะมันไม่ได้ใคร่พรวันไม่ได้เลือกเฟ้นอารมณ์ต่างๆนั่นเองแหละเรื่องมันนะไม่ได้ยับยั้งขิตใจเลยเพอแต่ความอยากอะไรมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็ส่งใจไปเลยอย่างนี้นะ ไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามายับยั้งจิตใจให้นิ่งซะก่อนเดังนั้นแหละมันถึงทำทั้งดีทั้งชั่วคนเราเนะ่ะเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปพบของที่น่ารักก็หลงรักไปพบของที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังไปพบเรื่องที่น่ากลัว ก็กลัวว่าจนตัวสั่นไปไปพบเรื่องที่น่าเศร้าโศกเสียใจก็เศร้าโศกเสียใจไปยับยั้งใจไว้ไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่เคยควบคุมจิตใจของตนสักที ใ, ในชี้ให้เห็นว่าโทษที่ไม่ควบคุมจิตใจโทษที่ไม่ฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิ โทษที่ไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดความรู้จริ ง, รงเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายดังนั้นจิตใจนี่มันจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเหตุว่าในโลก น, นี้น่ะมันมีทั้งสิ่งที่ให้คุณสิ่งที่ให้โทษ <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะจะให้คุณโดยส่วนเดียว หรือจะให้โทษโดยส่วนเดียวก็หามีได้นี่เมื่อบุคคลไม่รู้จักเลือกเฟ้นแล้วมันก็ไปได้ทั้งสิ่งที่ให้คุณได้ทั้งสิ่งที่ให้โทษผลเปกันไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงไอ้ทำอันเป็นพื้นฐาน ของชีวิตจิตใจของคนเรานี่นะจึงได้ทรงแสดงไว้ว่ก า, รรมม า, ากุสลาธรรมะอกุสลาธรรมะอพยากะตาธรรมะนี่ทำที่เป็นกุศลทมที่เป็นอกุศลทมที่เป็นกลางๆางไม่ดีไม่ชั่วอันนี้คำว่าธรรมะในที่นี้นะแบ่งออกเป็นสามประเภทอย่างนี้ อันนี้ทำทั้งสามประเภทนี้นะมีอยู่ที่ไหนแล้ววะนี้มีอยู่ที่จิตใจของคนเหล่านี้มีอยู่ในจิตใจของปุถุชนคนผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกตนยังไม่ได้รู้แจ้งธรรมของจริงนั่นแหละทำสามประเภทนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย บันีพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงําแนะนําสั่งสอนให้พุทธบริษัทน่ะโน้นมสติเข้ามาควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายใ น, ในแล้ววันีเราจะได้เลือกเฟ้นทมเหล่านี้น ะ, ะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็เลือกเฟ้นได้เลยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราก็ทบทวนดู ทบทวนดูความคิดความเห็นความเป็นมาแห่งชีวิตนี่จิตของเรามันยังยึดอกุศลไว้หรือไม่หรือมันยึดทั้งกุศลทั้งอกุศลอย่างนี้นะเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วมันรู้เรื่องเก่ยวของได้ดีเลืวเช่นอย่างตนยังเคยโกรธมาอยู่หรือไม่มันก็รู้เรื่องแหละ ได้วรู้เรื่องของตนได้ดีเลยพอแต่เมื่อสำรวมจิตให้นิ่งอยู่ได้แล้วนะแตนนี้เมื่อรู้ว่าจิตของตนมันยังละอกุศลยังไม่ได้เช่นยังโลภเล่งเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่นหรือว่าโลภในความรักความใคร่ อยู่อย่างนี้นะเช่นอย่ญญพูดถึงชาวบ้านมีผัวมีเมียมาแล้วก็ไม่ได้ยินดีอยู่แต่ในผัวในเมียของตนเองเท่านั้นเห็นหญิงอื่นชายอื่นก็ยังไปชอบใจกับหญิงอื่นชายอื่นอยู่อันนี้แหละพูดกันอย่างจงแจ้งมาผู้โลภในกา ม, มคุณ มันมีอยู่หรือไม่เอ่าทุกคนเมื่อเพ่งพินิดดูแล้วมันต้องรู้เรื่องเจ้าของเลยถ้าไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีอย่างนี้แหละถ้ามันมีก็รู้ความโกรธความหลงอะไรพวกนี่นะมันรู้ทางนั้นแหละแต่ที่มันรู้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้น้อมจิตเข้ามาสู่ความสงบมีแต่ส่งจิตออกไปตามอารมณ์ต่างๆ นั่งกล่าวมานั้นเมื่อมันนอ้อมจิตเข้ามาได้อย่างนี้มันก็รู้จักเลือกเฟ้นแล้ววันนี้นะโอ้ยทาเหล่านี้เป็นอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงในเหล่านี้นะที่มันใจยึดถือเอาไว้มีอยู่ในใจนี่นะมันต้องละกันทีนี้เอาความโลภ ละโดยที่กำหนดใจไม่ให้ความอยากเขาครอบงำจิตใจโดยนึกถึงสันตุถีทมเป็นอารมณ์เอาเราจะยินดีตามมีตามได้เราหามาได้เท่าไรเราก็จะบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเราจะไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นนี่ เรามีผัวมีเมียมาเราก็จะยินดีต่อในผัวในเมียเท่านี้แหละจะไม่ไปยินดีในหญิงอื่นชายอื่นในทางกาเวณีอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสันตุถีธรรมอยู่ในใจโยเป็นผู้ถือสันโดดยินดีตามมีตามได้ตนหามาได้เต็มความสามารถได้เท่าไหร่แล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น ทีนี้เมื่อบุคคลมาถือสันตุถิธรรมอยู่อย่างนี้นะไอ้ความโกรธมันก็บอบางลงไปมันเป็นอย่างนั้นบอบางลงไปเนี่ยการที่คนเรามันจะโกรธเนี่ยทําอะไรมันไม่ได้ดังใจหวังนั่นเลยเป็นอย่างนั้นเอาไปทําอะไรไปไปเกิดขัดกับคนอื่นเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเอ๊เจ้าหนี่มันมาขวางหน้าเราเนี้ย เมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็ต่อรอดต่อเถียงกันเข้าไปทะเลาะวิวาดกันเข้าไปใครเขาอยากจะได้ตามใจหวังของตนฉันก็อยากเดินไปตรงนี้นะเอาฉันก็ต้องการไปเหมือนกันนะฉันจะต้องการไปก่อนแกนะเพราะว่าเอาฉันก็จะต้องการไปก่อนฉันรีบด่วนมากยกตัวอย่างว่าคนเรานะี่ะเหตุที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกัน มันจะได้สั่งสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจนะเพราะว่าทําอะไรคิดอะไรแล้ว อ, อยากจะให้ได้ตามใจหวังทุกสิ่งทุกอย่างใครมาขวางไม่ได้เป็นโกรธทันทีอย่าว่าจะคเคารพผู้ครองเรือนเลยแต่เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยอืนักบวชนี่ก็ไม่รู้จักว่าตนถือมัน่นความชั่วไว้ในใจก็ไม่รู้ อย่างนี้นะตนถือมั่นความโกรธไว้ในใจก็ไม่รู้นั่งภาวนาทุกคืนก็ไม่เห็นไม่เห็นความโกรธอันมันฝังแน่นอยู่ในใจเมื่อไม่เห็นแล้วมันกะละมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อมันมีเชื่ออยู่ภายในนั้นแล้วถ้าใครทําอะไรให้ผิดความประสงค์ตนไปพอคิดฉุนเสียวขึ้นมาเท่านั้น เชือ่อมันฝังอยู่ในใจมันก็ลุกฮือขึ้นสนับสนุนความคิดอันนั้นให้รุนแรงขึ้นไปเลยเมื่อมันแรงมากมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลภาวนาลงไปทำใจให้สงบระงับลงไปแล้วอย่าไปอยู่เฉย ก็ท้องให้ค้นคว้าพิจารณาดูทำสามประเภทนี้แหละอันมันมีอยู่ในใจของคนเราแต่ละคนนี่นะมันมีอยู่มากน้อยเพียงใดฝ่ายกุศลก็ต้องมองให้เห็นฝ่ายอากุศลก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอ่าทีนี้ฝ่ายอากุศลนั่นทรงสอนให้ละนัะ่นเมื่อเราพิจารณาเห็นต้นตอเข้ามาแล้วเราก็ละนั่นไง ก็ละมันได้เนี่ยเองพีงนาเห็นว่ะพีนาเห็นว่าความโกรธนี่มันไม่ดีมันในโทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ละมันได้เนีมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะความหลงก็คือความไม่รู้ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณจักโทษ ไม่รู้จักสิ่งนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละลงสุดท้ายก็คือไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นแหละท่านเรียกว่าหลงให้พึ่งพากันเข้าใจบัดนี้เมื่อเรามีภาวนาอยู่อย่างนี้เราพิจารณาเรื่องบาปเรื่องบุญได้เห็นแจ้งในบาป ได้แล้วก็ละบาปได้นี่ความหลงมันก็เบาไปตามกันมันก็ดับไปตามกันนะอย่างนี้เลยแล้วพิจารณาเห็นว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้แล้วเราก็ทำไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นอ่ามันก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงแบบนี้นะไม่หลงไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นนะ ทิ้งใดที่ไม่เป็นประโยชน์พิจนาเห็นแจ้งแล้วไม่ทำไม่พูดไปเลยยกตัวอย่างเช่นพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นลับหลังเขาอะไรหมูนี่น ะ, ะมันเป็นภัยต่อตอนเองและผู้อื่นนั่นผู้ใดพิจณาเห็นอย่างน้มันก็ปิดปากตัวเองเลยใครจะดีจะชั่วไงอย่าไปฟื้นเอามาพูดกันเลยให้เป็นเรื่องของใครขมันไปเลย อย่างนี้นะมันถึงอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขใต้คนเรานะถ้าไปฟื้นเอาความชั่วความไม่ดีของกันและกันมาปารกบ่อยๆเข้าเมื่อฝ่ายหนึ่งได้ยินเข้ากับเอาแล้ววันนี้ได้เรื่องมันเบ่งกันอันึ้นที่ว่าความหลงล้วมันเป็นอย่างนี้หลยทีนี้เมื่อมันรู้ว่ารู้ว่ เรื่องอย่างนี้นะมันเป็นภัยอย่างนี้นะมันก็ไม่นะ่ะไม่ทำไม่พูดแล้วมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> คนสุดท้ายก็เป็นผู้ไม่รู้จักอริยสัจเจธรรมทั้งสี่คือไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกไม่รู้จักความดับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก อันนี้ท่านก็เรียกว่าหลงทีนี้เมื่อเราภาวนาอยู่นะเมื่อผูใ้ใดภาคเพียนพยายามไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อไม่ถอยมุ่งหวังทําใจให้สงบประ ง, งับจากนิวรห้าไม่มุ่งที่จะสะสมนิวรห้าไว้ในใจเลย เห็นโทษของมิโวล้าอยู่อย่างนั้นแม้ว่าวันนี้ทําใจสงบลงไม่ได้ก็ไม่โทษเอาต่อไปก็จะพยายามทำให้มันสงบแล้วตั้งเป้าหมายลงมาอย่างนี้นะถ้าผูดด้ใดตั้งเป้าหมายลงมาอย่างนี้แล้วแน่นอนแะมันต้องสงบลงวันหนึ่งให้ได้นี่ไอ้ผู้ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายลงอย่างนี้นี่ ไม่มีทาง่มันจะทําใจสงบลงได้นะพอภักเพียรพยายามไปหน่อยหนึ่งทําใจลงใจให้สงบไม่ได้แล้วก็ท้อใจแล้วก็ไม่อยากภาวนานเลยไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรลงไว้ในใจเลยอย่างนี้นะไม่มีทางนะมันจะทําใจสงบลงได้นะเพราะนั้นทําอะไรมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ไง มันจะค่อยสำเร็จรุ่ร่วงไปได้เช่นอย่างเขาทำนาไนงนะทำนานี่ก็ต้องรีดทำให้มันทันกับฤดูกาลนะถ้าว่าทำเล่นเลยลอยอยู่พอผลหมดลงไปแล้วน้ำแห้งไว้แล้วก็ทำไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันแหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ พระศาสดาจึงทรงแนะนำสั่งสอนไม่ให้อ้างการอ้างเวลาเลยไม่เหมือนอย่างที่ว่าเขาทํานาทําสวนนะอันนั้นต้องทําตามฤดูกาลส่วนการปฏิบัติธรรมนี้ไม่อ้างการอ้างเวลาเลยไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตของตนอยู่อย่างนั้น บางคนก็ว่ามันไม่มีเวลาจะได้สำรวมเพราะว่าการงานต่างๆมันมากมายเหลือเกินมีแต่คิดอ่านการงานส่วนมากก็มักจะมีความเห็นไปอย่างนั้นเลยนี่สําหรับผู้ครองเรือนนะความเห็นอย่างนั้นไม่ถูกต้อง เราควบคุมจิตแล้วเราขวคิดอ่านการงานไปพร้อมกันแหละอทั้งคิดอ่านการงานไปด้วยทั้งควบคุมจิตไปด้วยนี่จึงถูกต้องเรียกว่าควบคุมจิตให้มันคิดในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่าให้มันซ่านไปในเรื่องอื่นอย่างนี้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่แต่แต่ต้องเป็นความคิดที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษ เช่นทำการค้าขายอย่างนี้ตั้งสติส้ำรวมจิตคิดเรื่องการค้าการขายโดยเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นมาแทรกแซงเมื่อเมื่อไม่มีเรื่องอื่นมาแทรกแซงมันก็รู้แจ้งในการค้าการขาย น, นั้นได้ไม่มีผิดพลาดอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถดำเนินการค้าอันนั้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าใจตั้งมั่น เพราะนั้นใจที่อบรมให้มันเป็นสมาธินี่นะมันไปใช้ได้ไปหลายอย่างนะใช้ได้ไปทุกอย่างหมากว่าอย่างนั้นเลถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจะรักษาบุญกุศลความดีไว้ตลอดชีวิตได้หรือนั่นแหละ <c oughs> ท่านผู้รูจ้จากบาปบุญคุณโทษ จนสามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลได้เช่นเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะก็ยังครองเรือนอยู่นั่นเนี่ยเมื่อครองเรือนอยู่แล้วท่านก็มีสติมีปัญญารู้จักหลีกเว้นจากทางที่เป็นบาปอากุศลบำเพ็ญแต่ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเรื่อยไป อันบุคคลผู้ที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแม้ในขั้นต้นก็ตามแต่เราก็ดำเนินตามทางของพระอริยบุคคลนั้นเพราะว่าท่านที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลนะก็ดำเนินทางสายเดียวกันนี่แหละในเบื้องต้นนะไม่ใช่ว่าเป็นสายพิเศษอะไระ ท่านผู้ครองเรือนท่านกอบำเพ็ญการให้ทานบำเพ็ญการรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาฟังธรรมบำรุงวัดว า, า, ศ, าศาสนาไปอย่างนั้นแหละแต่ข้อสำคัญท่านกระทำอุบายแยบคลายภายในใจนั่นควบคุมจิตใจของตนได้ในอริยบททั้งสี่ ยืนเดินนั่งนอนกลางวันกลางคืนไม่ว่าเมื่อควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลได้อินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนี่ให้เข้าใจเหตุที่ท่านจะได้บรรลุมรรคผลนะเพราะว่าก็ได้แก่าการสั่งสมบุญกุศลนี่แหละให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนะเมื่อมันเข้าขั้นแล้วมันก็บรรลุไปได้ แม่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลกุก็ปฏิบัติสายเดียวกันนี้เองอนั่นแหละผู้ที่ไม่ได้บรรลุเสียเลยนั่นก็นึงมาแต่ความประมาทเรียกว่าไม่ทําจริงเนะี่ยสำรวมก็ไม่สํารวมจริงให้มันขาดเป็นวักเป็นตอนนะก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละเอ้าบางคราวไปกโกรธให้คนนู้นคนนี้เข้าไปเอใจเศร้าหมองขุนมัวไปด้วยความกโกรธ ปล่อยให้อกุสลครอบงมจิตไปได้พักหนึ่งย่งนี้เรียกว่ามันขาดตอนกันนะจิตไม่เป็นกุศลสม่าเสมอติดต่อกันอย่างนี้ถ้าหากว่าใครสามารถควบคุมจิตนี้ให้เป็นปกติสม่ำเสมอไปได้ไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงมจิตใจไม่ปล่อยความโลภครอบงมจิตใจ ไม่ปล่อยให้ความหลงเข้าครอบงำคือสามารถเพ่งพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอก็ <c oughs> อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมจิตไม่ให้หลงไม่ให้หลงร่างกายอันนี้ไม่ให้หลงขันห้านี้เมื่อจิตไม่หลงขันห้านี้แล้ว มันก็ไม่ได้สร้างความโลภความโกรธขึ้นมาอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันจะสร้างขึ้นมาทำไม่ล่ะในเมื่อแต่ร่างกายอันนี้ยังไม่ใช่ของตนแล้วนะยังจะไปแย่งชิงเอาของคนอื่นมาอะไรอีกอยู่เล่าเนี่ยแล้วก็จะไปโกรธให้ใครอีกเล่าในเมื่อร่างกายอันนี้ทั้งของตนเองและของผู้อื่นนะ ไม่ใช่ของเราจริงจังถ้าว่าโดยปรัมมัทธธรรมแล้วมันก็ไม่ใช่ของใครอ่ะมันเป็นสภา ว, าภาวา ธ, าธรรมสภาวธาตุต่างหาเนี่เเมื่อภาวนาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นอยู่อย่างเนี้ยรู้อยู่ยนี่นะความโลภมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธก็เกิดขึ้นไม่ได้ความที่จะไปคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ไม่มีอ่ เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้รักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่สม่ำเสมอไป